เจละติกะ14อาสวาโคจกะ23อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะยอ่อเฮตุ ป, ปัจจัยมี29วาระอาระมณะปัจจัยมี24วาระละถึงวิปากะปัจจัยมี9วาระละถึงอวิคตาปัจจัยมี29วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะยอ่อ ทุกปัจจัยมีปัจจัยและเก้าวาระไม่มีวิปากยี่สิบสี่อาศัยสภาวธรรมที่ไ ม, ม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะย่อเหตุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระและถึงอาศัวัณปัจจัยมีเก้าวาระและถึงวิปากปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ ย่อเหตุปัจจัยมียี่สิ้าวาระอารมณะปัจจัยมียีิบสวาระละถึงวิปากะปัจจัยมี9้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระยี่สิห้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งไม่สัมพยุทธ์ด้วยอาสวะย่อเหตุปัจจัยมียีสิบสวาระอารมณะปัจจัยมีสิเจวาระละถึง วิปากระปัจดใจมีเ้าวาระและถึงอวิภัตตาปัจใจมียี่สิบสีวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่วิปวิจักอาสวะยอ่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและเก้าวาระไม่มีวิปลายี่สิหอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะยอ่อเพตุ ป, ปัจใจมียี่สิบเก้าวาระ อารมณะปัจจัยมียี่สิสวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมียี่สิ้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะและไม่ใช่ไม่เป็นอาจวะย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระไม่มีวิปากยี่สิบเจ็ดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะ และไม่วิปวิจักอาสวะย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและกลาววาระไม่มีวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่วิปวิจักอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและกลาววาระไม่มีวิบากยี่สิปดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งวิปยุจักอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะย่อ เหตุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระละถึงอาเสวนะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งวิปิยจากอาจวะและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะยอ่อเหตุปัจจัยมียี่สิบสี่วาระอารามะณะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระละถึง วิปากะปัจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจใจมียี่สิบสี่วาระหนึ่งกุชละติกะยี่สิบสัญโยชนะโคชกะเป็นต้นยี่สิบเก้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นสังโยชน์ย่อเหตุ ป, ปัจใจมียี่สิบเก้าวาระอารมณะปัจใจมียี่สิบสี่วาระละถึงวิปากะปัจจัยมีเ้าวาระละถึง อวิคตะปัจใจมียี่สิบห้าวาระสามสิทอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นโอคะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นโยคะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นนิวรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นปรามาย่อเฮตุปัจใจมียี่สิบห้าวาระ ปารามณปัจจัยมี24วาระละถึงวิปากะปัจจัยมี9วาระละถึงอวิคตาปัจจัยมี29วาระ1กุศลตึกะ55มหันตระทุกะ31อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้ยอ่อเหตุปัจจัยมี9วาระละถึงอวิคตาปัจจัยมี9วาระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ยอ่อเหตุ ป, ปัจจัยมี24วาระละถึงวิปากาปจจัยมี9วาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี24วาระ32อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นจิตยอ่อบทว่ามิใช่ไม่เป็นจิตมีไม่ได้เหตุ ป, ปัจจัยมี25วาระ อารมณะปัจจัยมี24วาระละถึงวิปากะปัจใจมีเก้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมี29วาระสาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเจตสิกย่อเฮตุปัจจัยมี18วาระอารมณะปัจใจมีเก้าวาระละถึงวิปากะปัจใจมีเก้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมี18วาระ ส4สสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุทธิจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่รักนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐานย่อเหตุปัจจยัยเมฆาวาระและถึงอวิคัตถะปัจจยัยเมีาวาระสาสิห้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตย่อ เทตุปัจจัยมีสิปดวาระรอรมะณะปัจจใจมีเก้าวาระละถึงวิปากะปัจจใจมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี18ดวาระ36อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เป็นไปตามจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ร่คนกับจิต มีจิตเป็นสมุฐานและเกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งไม่ใช่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฐานและเป็นไปนตามจิตย่ยอเหตุปัจจัยมีสิบแปดวาระอรมณะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสิแปดวาระสาสิบเจด อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นภายในยอ่อเหตุปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระอารมณ์ปัจจัยมียีบสวาระละถึงวิปากาปรปจใจมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิ้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นภายนอกยอ่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระ สาสิบปดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทานยูปยอ่อเฮตุ ป, ปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระอารมณะปัจจัยมียี่สิบสี่วาระและถึงวิปากปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระสาสิเกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือยอ่อ เหตุปัจจัยมี29้าวาระอารมณ์ปัจจัยมียี่บสีวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมียี่้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่กลั่มอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือยอ่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระ 1. กุศละติกะ6กิ้าอุปาทานาทุกะเป็นต้นสี่สิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทานยอ่อเฮตุปัจใจมียี่สิ้าวาระอารมณปัจใจมยยี24วาระละถึงวิปากปัจใจมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจใจมียี่ส้าวาระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอุปาทานยอ่อทุกปัจจัยมีปัจใจและเก้าวาระไม่มีวิปากสี่สิบเอ็ดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งไม่เป็นกิเลสยอ่อเหตุ ป, ปัจใจมียี่สิบเก้าวาระอารมณะปัจใจมียี่สิบสี่วาระละถึงวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจใจมียี่สิบเก้าวาระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศสซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นกิเลสยอ่อทุกปัจจัยมีปัจใจและก้าววาระไม่มีวิปากหนึ่งคุศลตเกระแปดสิบสามเปิทุกขะสี่สิบสองอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่ต้อ ง, งประหารด้วยโสดาปติมัค อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาภติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งมีเหตุไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาภติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม ยอ่อเหตุปัจจัยมี29้าวาระอารมณะปัจจัยมี24วาระละถึงวิปากะปัจจัยมี9้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี29้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสยอ่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและเก้าวาระไม่มีวิบากสี่บสาม อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีวิจารณ์ย่อเหตุปัจจัยมียีสิบสีวาระอารมณปัจจัยมีสิบเจดวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมียีสบสีวาระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่มีวิจารณ์ย่อเหตุปัจจัยมี24วาระละถึงวิปลาสปัจจัยมี9วาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี24วาระ 44. อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่มีปีติ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่สารคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สหะรขอดูเปรคาโอเหตุปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระ อารามณะปัจจัยมียี่วาระละถึงวิปากะปัจจัยมีเ้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่จหรอรคดูเบคาย่อเฮตุ ป, ปัจจัยมี24วาระละถึงวิปากะปัจจัยมีเ้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิวาระสี่ิ้า อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกลามวจรย่อเหตุปัจจัยมีสิบเจดวาระละถึงวิปากปัจจัยมีเ้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งม่ใช่ไม่เป็นกลามวจรย่อเหตุปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระอรมณะปัจจัยมียี่สิบสี่วาระละถึงวิปากปัจจัยมีเ้าวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่้าวาระสี่สิหอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอรูปาวจรย่อเฮตุปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระอารมณปัจจัยมียี่บสีวาระและถึงวิปากปัจจัยมีเก้าวาระ ละถึงอวิคตะปัจใจมียี่สิบเก้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอรูปาวจรย่อเฮตุปัจจัยมีสิบเจดวาระละถึงวิปากะปัจจัยมี9้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบเจวาระสี่สิเจอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่นับหึในวัตทุก์ย่อเฮตุปัจจัยมีสิบเจดวาระ ละถึงอายเสวะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอาศัย ส, สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์ย่อเฮตุปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระอารมณะปัจจัยมียี่สิบสี่วาระละถึงวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระละถึง อวิคตาปัจใจมียี่สิบเก้าวาระาสี่สิบแปดห้าสายสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกยอ่อเหตุปัจใจมียี่สิบเก้าวาระอารมณะปัจใจมียี่สิบสี่วาระละถึงวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตาปัจใจมียี่สิบเก้าวาระห้าสายสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศล ซึ่งนีใช่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกขทุกปัจจัยมีปัจจัยและกลาววาระไม่มีวิบาสสี่สิบเก้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ให้ผลแน่นอนย่อเหตุ ป, ปัจจัยมียี่สิบ้าวาระอารมณะปัจจัยมียี่สิบสวาระและถึงวิปาส ก, กจจาร ะ, ะ, ะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมียี่้าวาระ อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นยอ่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละสิบเจ็ดวาระไม่มีวิปากห้าสิบอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เมตธรรมเอ่นยิ่งกว่ายอ่อเหตุ ป, ปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระละถึงอาศัยวุณปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระห้าใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าย่อเหตุ ป, ปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระอารมณ์ปัจจัยมียี่สิบสี่วาระละถึงวิปากะปัจจัยมีเ้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระห้าสิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้สักรองให้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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตรองไห้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอภิยากร์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตรองไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศ ล, ลซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตรองไห้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตรองไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยมีสามวาระย่อ เหตุปัจจัยมี21วาระอารมณะปัจจัยมี17วาระและถึงวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตะปัจจัยมี21วาระทุกปัจจัยเพิ่งขยายให้พิจารณาสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุ ใ, ให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุ ใ, ให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยยอ่อ เหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระกุศลติกะและปิถิทุกกะจบสองเวทนาติกะหนึ่งเหตุทุกกะห้าสิบสอง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 ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีเจดวาระย่อสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีเจดวาระย่ออาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเหตุุปัจใจมีสี่สิบห้าวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีสี่สิ้าวาระ สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัยมีห้าวาระย่อเหตุตุปัจใจมียี่สิบสี่วาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสิบเจดวาระละถึงอวิคตะปัจใจมียี่สิบสี่วาระสวิปากะติกะเป็นต้นหนึ่งเหตุทุกกะ ห้าสิบสามอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากซึ่งไม่เป็นเหตุย่ Britney, อเหตุปัจจัยมีสามสิบสองวาระอารมณปัจจัยมียี่สิบเจดวาระอธิปติปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระและถึงอัญญมัญญปะปัจจัยมีสามสิบวาระ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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและที่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นเหตุยอ่อเหตปปจจปจจปปุปัจจัยมียี่สิบก้าวาร ะ, ะอารมณะปัจจัยมียี่สิบสี่วาระอธิปติปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระและถึงอาเจวณะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระห้าสิบห้า อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทาให้เจ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทําให้เจ้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทําให้เจ้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมียี่สิบห้าวาระอรมณปัจจัยมียี่สิบสี่วาระละถึง วิปลากระปัจใจมียี่สิบอดวาระละถึงอวิคตะปัจใจมียี่สิบเ้าวาระห้าสิบหกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเฮตุปัจใจมีสี่สปดวาระ อารมณปัจจัยมีสี้าวาระอธิปติปัจจัยมี47วาระและถึงปุเรชาตปัจจัยมี44วาระอายเสวนปัจจัยมี44วาระและถึงอวิคตาปัจจัยมี48วาระ57อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรงโคด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรงโคด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่โสรคกระดูกข า, าซึ่งไม่เป็นเหตุย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละสีสิบ้าวาระห้าสิบแปดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมทีไม่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมีสาสิบเอ็ดวาระอารมณ์ปัจจัยมียี่สิบสี่วาระละถึงวิปากปัจจัยมีเก้าวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระห้าสิบเก้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระอารมณะปัจจัยมียี่สิบสี่วาระละถึง วิปากปัจจัยมี๙๙วาระละถึงอว e um e. e e e e ิคตะปัจจัยมี๒๙วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอาศัยชาบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมี๒๙วาระอารมณ์ปัจจัยมี๒๔วาระ ละถึงวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระหกสิอาศัยสภาวธรรมที่มีเป็นปริะป ต, ปตะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นมหคตะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอปมาณะซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมีสามสิบสองวาระอารมาณะปัจจัยมียี่สิบเจดวาระละถึง อัญญมัญญปัจจัยมีสามสิบวาระละถึงบริชาตะปัจจัยมี24วาระอาเสีวะปัจจัยมี24วาระหกสิบอดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมหาคตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอปมานะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุย่อทุกปัจจ in ัยมีปัจจัยละห้าสิเอดวาระ หกอาศัยสภาวธรรมที values, rare, Ona, progress, überall, Or, stems, ่ไม่เป็นชั้นต่ำซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นกลางซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นปราณีซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมี29้าวาระอรมณะปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี2ีวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมี29้าวาระ63า อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มิสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นเหตุยอ่อเหตุถูกปัจจัยมียี่สิบก้าวาระอารมณะปัจจัยมียี่สิบสี่วาระละถึงวิปากปัจจัยมีเก้าวาระละถึง อวิคตตปัจจัยมียี่สิบเ้าวาระหกสิบสี่อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นอธิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละสี่สิบเ้าวาระหกสิบห้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่อย่างไม่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จักเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระหกสิบหกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอดีตซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนาคตซึ่งไม่เป็นเหตุย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระหกสิบเจ็ดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปัจจุบนันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละสี่เก้าวาระหกสิบแปดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในตน fearful. ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นเหตุย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุย่อทุกปัจจัยมีปัจใจและกลาววาระยี่สิบสองสนิทัสนติกะหนึ่งเหตุทุกูกะเป็นต้นหกสิบเก้าสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุ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 ทุกปัจจัยพึ่อพยายให้พิจารณาเจ็ดสิบสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และแกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และแกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยและเก้าวาระอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และแกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีเหตุย่เอเหตุปัจจัยมีสามสิบวาระธรรมณะปัจจัยมีเก้าวาระ ละถึงอัญญามัญญะปัจจัยมี25้าวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีสามสิบวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุทุกปัจจัยมีปัจใจละเก้าวาระเจ็ 71. อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สัมปยุตด้วยเหตุย่อเหตุ ป, ปัจใจมีสมสิบวาระอารมณะปัจใจมีเก้าวาระ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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุและไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่วิบิวจากเหตุย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่วิบิวจากเหตุและไม่ใช่ไม่เป็นเหตุย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระ อาศัยจภ า, าวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่มีเหตุยอ่อเหตุปัจจัยมีสามสิบวาระพรมณะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมียี่สิบห้าวาระละถึงอวิยคตะปัจจัยมีสามสิบวาระอาศัยจภ า, าวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุ ทุกปัจจัยมีปัจจใจละเก้าวาระยี่สิบสองชนิทัศนะติกะเจ็ดจุลันตระทุกกะเจ็ดสิสาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งยอ่อเหตุปัจใจมีสามสิบวาระอารมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระ ละถึงอเนกมัญญะปัจจัยมียี่สิห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามสิบวาระเจ็ดสิบสี่อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้ย่อเหตุ ป, ปัจจัยมียี่สิห้าวาระอารมณะปัจจัยมีเ้าวาระละถึงอวิคตตะปัจจัยมียี่สิบห้าวาระเจ็ดสิบห้า อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่กระทบได้ย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าววาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่กระทบไม่ได้ย่อเหตุปัจจัยมีกลาววาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีกล่าววาระเจ็ดสิบหกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นรูปย่อ ทุกปั จ, จัยมีปั จ, จัยและ9้าวาระอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นรูปยอ่อเหตุ ป, ปัจจยมยสามสิบวาระและถึงอัญญามัญญะปัจจัยมี25้าวาระและถึงอวิคตะปัจจมีสามสิบวาระเจสสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นโลเคียยอ่อทุกปัจจัยมีปัจใจและ9้าวาระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นโลกุตระย่อเทตุปัจจมีสามสิบวาระอรมาณะปัจจัยมี9้าวาระละถึงอัญญามัญญะปัจจมียี่สห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจมีสามสิบวาระเจ็ดสิบแปดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ยอ่อเหตุ ป, ปัจจัยมีสามสิบวาระอรมณะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอัญญามัญญะปัจจัยมียี่สิบห้าวาระละถึงอวิยคตะปัจจัยมีสามสิบวาระ